เนี่ไหมมันมาทำเร่องเงเย็นวัไหนก็มาสาัตว์ดูซิสัตว์มันก็ยังรู้ที่เย็นที่ปลอดภัยมันก็ยังรู้ถึงมันไม่รู้ว่าทําคืออะไรก็ะธรมันก็รู้โดยหลักธรรมชาติมาที่นี่ลมเย็นที่นี่ปลอดภัยที่นี่เป็นสุขนก็มานั่นแหละธรรมมีอยู่ทั่วไปจำเป็นเราจะต้องบอกว่าธรรมธรรมหลักธรรมชาติบอกตัวเอง มันไปอยู่ในคมพีไปลานนั่นสิมันไม่ได้มาอยู่ที่หัวใจมันก็จะรู้ได้ไงทํา ไ, ทไปยังไงรถของทอําไปยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระหรหัลหันท่านเป็นยังไงไม่รู้ที่ถ้าลงมัน่ากระเทือนหัวใจจะเต็มดวงนี่แล้วมันทํำไมจะไม่รู้ว่างั้นเลยเจ้ามีกี่หมื่นกี่แสนพระองค์มันก็ยอมรับหมดเลยเพราะธรรมชาตินี่ยอมรับกับตัวเองแล้ว ท่ก็ซ้อนตรงนี้แตแท้ๆตรงนี้ก็ได้รู้แต่แท้เนี่ยอจะไปสงสัยครูหาอะไรธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะบ้ารู้แล้วจะเป็นบ้าไปสงสัยครูนี่อย่างแล้วผมมาใหม่การศึกษาก็ต้องศึกษาจริงจังนะจะมาทําเล่นเลอะละละให้เห็นนะมันหนักพวกที่อยู่ก่อนก็หนัก เราพูดดูอยู่นี่มันก็หนักส่วนมากมันลูปตาของเรานี่แหละมันหนักมากมนะผมมองภาพนี่มันกระเทือนก้นนี้แล้วนอกจากเฉยแบบหมาป่าหามก่อนไม่สนใจเอาไม่เนี่ยนถึงทนกันไปได้มันถึงมีเนี่ยเรื่องของสนใจดูไม่ดูก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันอดไม่ได้ไม่รู้มอยู่ไม่ได้ก็เห็นอยู่นี่น่ะเนี่ย ตาเน่ยก็เคยใช้ามานานแสนนานแล้วพิตูดีชั่วทำไมจะไม่รู้หนูก็ฟังมานานแสนนานเยเคยเชื่อกันมาแล้วงนานประชุมกีนยังนิดยังมีอยู่นะของคนเอาเพาความห่วงหมูพื่อนเนี่ย ร่างกายมันทำรุดรุดจ น, นปรตามแต่ใจไม่ได้ชัำรุดด้วยนีย่ความหมยายหมู่เ่วนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็มีอยู่คงเช่นางบาเมื่อพอมีโอกาสพอที่จะตุ่น ไ, ได้เมื่อไหร่ก็ท่อ ง, อ, องควักท่งไวายมันพากันเล่นความภาคเพียนนะ อย่าไปเห็นงานอะไรมากยิ่งกว่าโดยในกรมน้ำชมาชิกรนาดูหัวใจของนะค่าศึกไปอยู่ที่นี่ความประเสริฐไปอยู่ที่นี่ความแท้ความชนะอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่อื่นยาให้มันจิตมันพากระเดือกะไหลนะหาเรื่องอะไรอะไรมาแ ก, ก้ําคันลำคันันเพิ่มลำคันการ็ไม่รู้พิเดรมันพาเกาที่ไหนไม่คั น, นไปหาเก่านี่ยเยอะเป็นหาที่เรื่อนนายว้อยบอกนะ Oh, ละเอียดมากนะอันนี้นะพเลจริงจริงนะพี่เก็ทําทงานในวงศาสนาพี่เล่เข้าทํางานในวงพระวงเนรในกิริยามายากของพระของหนึ่งในการกระทําเกือกจะพูดได้ว่าทุกงแง่ทุกมุมของวัดของวังไม่จะเรื่องอะไนี้เข้าไปทํางานทำนั้นไม่เห็นไม่รู้หนะินะฮะเนี่ยก็พูดได้อย่างเดียวเท่า น, นั้นเลยว่า มันเข้าทําไม่ได้ตั้งแต่ถึงขั้นพรานามรยปัญญาว่ามีมีแต่มีแต่ขาดหางขาดหางล้วนไปเลยขาขาดไปเรื่อยอเลยไม่มีอะไรที่จะงอกจะรัด่อมาอืมนับบันมันหางขาดหางล้วนหูขาดปากขาดไปเรื่อยเช่นเดี๋ยวกับหัวใจพังทลายหัวใจวัตจักรปัญญาขั้นนี้บอโห เพรว่าเรีย น, มนไม่ได้เรียนที่ไหนเป็นขึ้นเองปัญญาฆ่ากิเลสต้องเป็นปัญญาขึ้นนี่แหที่ว่าทําเกิมกดมรรคธรรมเกิดสติปัญญาแนหะมรรคธรรมสมาธิถิตสมาสังโภสมาสตินั่นอะไรอิยาการทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดต้องสมาธิติตสมาสังโภได้ได้ก้าวเดินแล้วสมารกรรมตาก็ชอบนั่งธรรมธมที่ภาวนาให้สงบงกงัน่ ชอบ เ, เดินยกมก็เหมือนกันเดินข้าวิเศษเรื่องเรื่องโซโซัสเตอเป็นได้ผมเคยเป็นมาแล้วเนียขจิตไม่ได้ออกหมือผมอยู่ภายในเนี่ยติ้วติ้วอยู่กับวิเลษไม่ได้มองคนอื่นมองวิเศษแล้วก็เดินของมเข้าป่ากลับออกมาแย็บมาเข้าป่าออกมาทางนี้ไม่ปล่อยมือกันอยู่ฟัดกันอยู่นี่โซโซัสเตแบบนั้นเป็นไรป้ายไม่ได้หัวเหานอนเนี่ย สัมมากัมมันตะทําการงานชอบเดินไปไหนไปไหนชอบหมดมีได้ชอบด้การฆ่ากิเลสสัมมาวจ่ า, จากล่าวตั้งแต่เรื่องของกิเลสฆ่ากิเลสสันเรกธรรมนันท่านว่านะเรื่องมากเรื่อผลสัมมาชีว่ะเอาแต่อัอดแะทําเลี้ยงหัวใจฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยยาพิษยาพายกำจัดออกไปเรื่อยนะั่นไม่ได้ว่าสัมมากั อันนั้นนะสมาคีวะที่วัดนําอาหารมาเลี้ยงนะอันนี้ยังยากืมทําเข้ามาเลี้ยงหัวใจกำจัดสิ่งที่เป็นพริกเป็นภัยยาพริษมันอยู่ในนั้นออกออกเลยสมาสัมมาคิวะสมาวายามโมก็ครอบไปหมดแล้วนะสัมาสีสถานที่ไหนแหลกหมดเลยนะไปตามกันหมดเกี่ยวโยงกันยังว่ามรแปะนี้เกี่ยวยงกันหมดเลยน่นแนะว่มามะมรคสมังคีเข้ามาสมมังคีนี่แหละ เขาแบบนั่งก็ลงทีมีแต่สมามาระสมมังคีคือกลวงรวมกลุ่มมันเข้าไปอันหนึ่งอันเดียวกันพราะแต่อันนี้ปะกัดเกลื่อนไปหมดเลยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจกนกระทั่งสมาสมาธิใครยังมันไม่เห็นมากะสัมมังคีก็เอาลงภาวนาเมญปัญญาสิไม่ต้องไปถามแหละอคุยยาก่ากีเลสยังไงภาษาว่าก่ากิเลสยังไงมันจะบอกในตัวนี้เสร็จหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันกันหมด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 มั่นเนี่ยจะเอาชนะท่าเดียวนั่นสมาธิแต่ลาประเพทสมาธิที่เชงอกใจนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสมาธิที่ความแน่นหนามั่นคงของใจหรือความมุ่งมั่นของใจที่จะพุ่งมันทะลุมันกับอีกอันหนึ่งคือความมั่นสมาธิสมาธิความมั่นจิตมันตั้งมั่นสะพอนั่นกระจายจากสมาธินี้เป็นสมาธิเพื่อนั่นขึ้นมาเพระเพืทั่นขึ้นมามันเป็นในใจมันรู้เองทาไมเปลี่ยนพูดอะไรมันก็ผิดเพราะตัวจิตพลาให้ผิดนี่นะ ขอให้ิตถูกแค่อย่างเดียวเถอะพอจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทําไมจะพูดมาได้รู้ยังรู้ได้พูดไม่ได้ไมีเหรออืที่ควรจะพูดอ่ะเ่าอยากเห็นพระทรงมากทรงผลแล้วไม่อยากเห็นอันชงความขี้เกียจที่คร้านทรงแต่ก่อนแล้วนินแล้วกินแล้วนอนเราไม่อยากเห็นไม่อยากพบมันเกิดอยู่แผ่นดินนะนี่ ส่งแต่กโกาแฟส่งแต่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำสม้มน้ำหวานสมมา่สมงมรรคผลไม่ได้ส่งไม่อยากได้ยินพระของผู้ดเจ้าพระคงมรรคผลนั้นนั้นพระของเราพระส่งอย่างว่านึ่โกงข้ามนี่ไปทําลายพระผุ้ดเจ้าแหลบหมดพระผู้ดเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับใจีิมันทําลายที่ตรงนี้สีฮึืม อันนี้ือกันนะจะข อ, อนื้สายเลยเอ้า ข, อข อ, ข อ, อ, อขอจขอเนื้อสายความการีถ้าพ่อแม่คุยกันว่านะท่านพาขอท่ า, านจะจะเหผลให้เราทราบก็เป็นที่ลงใจเพราะนั้นเราติจับปั๊บทันทีเลยถ้าลงพงพ่อแม่คุยกันแล้วเราจับปุ๊บเลยเพราะท่านใกล้ควรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านทาอะไรไปหาที่ค้าไม่ได้เราจึงยอมกรอบกราบท่านอย่างลาบราบเลยนะอ่ะ ระวะมะระมะโตวัสมสมุทัสสะอริโยเมผันเตโหิอายสโตนิสยวัชานิอะริโยเมันเตโหิ ซาดูพันเดพาิรูปังซาดูพันเดปาาิเนะัมปาเดหิาัเาัเกายเโ